ความสนุกคลายเครียดได้แต่ทำให้ใจว่างไม่ได้วันว่างแต่ใจไม่ว่างก็ไม่เหมือนวันว่างวันวุ่นแต่ใจไม่วุ่นก็ไม่เหมือนวันวุ่นความสนุกคลายเครียดได้แต่ทำให้ใจว่างไม่ได้ความสนุกจึงไม่ใช่ที่สุดของวันว่าง ความพอต่างหากที่คลายเครียดได้แล้วก็ทําให้ใจว่างได้ความพอจึงเป็นที่สุดของวันว่างไม่มีใครพอได้ด้วยการสั่งตัวเองให้รู้จักพอคนจะเข้าถึงความพอก็ต่อเมื่อเห็นความปั่นป่วนกระวนกระวายในใจกระทั่งพอจะรู้สึกถึงความกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่แน่นอนจึงค่อยรู้สึกว่า พอแค่รู้อยู่อย่างนั้นก็ได้นั่นแหละจุดเริ่มต้นของความพอใจที่แท้จริง